ไม่มีอะพอจบถึงดวงนี้ไม่มีอะไรเลยสังขารก็ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรก็ปรุงของมันไปไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่ามันจะเจ็บมันจะปวดมันจะปวดมันจะหิวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติขวายปรุงแต่งก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันโง่นิดเดียวคือยึดเนาะเราเราปวดเราอยู่เราร้อนตอนนี้ก็คือแค่เข้าใจได้น่ะเวลามันเจ็บมันปวดก็มันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วถึงบอกที่เราสอนโยมบอกว่าคุยกับโยมบอกว่า โยมบอกออถ้าบอกมันสักหน่อยผมก็รู้สึกมันหนักแน่นดีบอกว่าเออรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยอ๋อไอเนี้ยแต่ว่าคำว่ารู้แล้วเนี่ยจริงๆมันก็คือคิดเอาคิดเอาว่ารู้แล้วทำไมเรียกว่าคิดเอาเพราะว่ารู้มันไม่ใช่คิดใช่ไหมรู้ไม่ใช่คิดนะเอาต่อเนี่ยสมมติว่าบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยดูสิดีๆมันรู้หรือมันปรุงอะมันพูดนะแล้วโยมไมว่ายายจะขัด ตัไม่ใความคิดมันยาวไปประมาณนั้แหละผมดูลแล้วก็แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นระดับเขาเรียกว่าเป็น ต, วตัวช่วยเป็นเอ่อเป็นตัวช่วยแล้วก็กลบกลบกลบกลบโดยคําบริกรรมเออมันเป็นการกลบกแต่มันก็ช่วยได้ไดช่วยได้สมมติว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ต้องอาศัยมันี้ แต่ทีนี้ถ้าเรารู้รู้คําว่าไอ้รู้จริงๆริงไอ้รู้แท้เนี่ยนะเห็นไหมเออมันไม่คิดเนี่ยมันไม่คิดมันไม่ปรุงแต่ทีนี้จะเปลี่ยนสภาพจากจากคิดจากปรุงให้เป็นรู้ได้ไงก็มันรู้ได้ไม่ใช่เหรอว่ากําลังปรุงอยู่กําลังคิดอยู่เออไอ้ตัวรู้นั่นแหละมันไม่พูดแต่ไอ้ตัวคิดเนี่ยมันก็ยังปรุงปุงคิดคิดอยู่แต่ตัวรู้รู้ว่าคิดคิดปรุงปุงอยู่รู้จึงพูดไม่ได้เอเนี่ยถ้ารู้ใดที่มันพูดไม่ได้นั่นแหละคือเป็นเขเรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุรู้ แต่ถ้าแค่โยงแค่ชำเลืองหามันนิดเดียวแค่นั้นแหละไอ้ตรงนั้นเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเลยไม่ใช่รู้สมมุติว่าโยงกําลังหมายว่าเฮ้ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยแล้วโยองก็ไปโฟกัสปั๊บวันนั้นแหละกลายเป็นธารู้นะ้เป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเลยบอกไหมเออเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นไอ้รู้แท้รู้จริงเนี่ยไม่มีใครรู้มันได้หรอกถ้าใครไปพบเข้าไปรู้มันเข้ามันกลายเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเลยนะครับ เออเป็นสิ่งถูกรู้เพราะนั้นถึงหามันไม่เจอหรอกหาเจอทีไรมันเป็นสิ่งถูกรู้หมดเพราะว่ามันมีผู้รู้อยู่ตัวหนึงมาเห็นอีกทีหนึ่งนั่นแหละที่เราเรียนเรื่องดูจิตอ่ะดูจิตอ่ะภาษาบอกว่าดูจิตแต่จริงๆรอ่ะสิ่งที่ไปรู้มันไม่ใช่จิตนะเป็นอาการของจิตหรือบางท่านเรียกว่าเงาของจิตทําไมเรียกว่าอย่างเนี้ยก็เพราะว่าจิตจริงๆริง่ะมันมันมองไม่เห็นมันรู้ไม่ได้ แต่ทีนี้ถ้าเราจะใช้ปัญญาก็พอเข้าใจได้ว่าสมมุติว่ามันไปเห็นความคิดใช่ไหมความคิดเนี่ยเป็นเป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตเ็าเรียกว่าจิตคิดแต่ทีนี้ถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยแสดงว่านนนในนั้นน่ยมันมีรู้อยู่แต่ไม่ใช่จิตคิดเห็นไมมันจะรู้ได้เนี่ยว่าเออมันต้องมีรู้แน่นอนแต่เราไม่ต้องไปตามหาว่ารู้ตรงนั้นเป็นอะไรอีกไม่งั้นมันก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้อยู่ดี ก็เหมือนไงน่ะพี่คุยกันนะรู้ไหมรู้ไหมพอถามว่าใครรู้มันก็ตอบภาษาแบบสมมติสมมติอ่ะก็ราะเราสิรู้แต่จริงอะน่ะอันนั้นแหละรู้นั้นแหละมันเป็นจิตเออแต่เราอะดันไปยึดจิตว่าเป็นเราอแต่จริงอะเราไม่มีใช่ไหมแต่ก็หลงนั่นแหละไปยึดจิตว่าเป็นเ ร, เราเรารู้เราเข้าใจเรารู้แจ้งเรารู้แจ้งเราเข้าใจเรารู้แจ้งเรารู้หมดแล้ว เนี่ยถ้ายังเป็นเราอยู่เนี่ยต้องรู้เท่าทันเห็นมมันพลิกเปลี่ยนก็คือเอา้าก็ไม่ใช่เรารู้หรอกมันพลิกมันพลิกได้ ไ, ไ, ดไองใช่ใช่อีกขั้นหนึ่อีกขั้นหนึงงน่งต่นมต่อให้พ้นทุกข์แล้วอ่ะไม่มีทุกข์อีกแล้วเนี่ยถ้ายังมีความหลงก็คือใครพ้นทุกข์ก็คือเราพ้นทุกข์ถูกไหแต่ถ้าไม่มีความหลงแล้วเนี่ยต่อให้มันรู้สึกว่าเป็นเราพ้นทุกข์แต่ ก็ไม่ใช่เราอยู่ดีมันเป็นสังขานปรุงขึ้นมาว่าเป็นเราแต่ความจริงเราไม่มีก็เลยมีแต่สังขานเท่านั้นแนหะที่สร้างขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นอะไรขังขานปรุงแต่งหมดเราที่ใช่จริงไม่มีเอดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับน้องก็มัง่งน้องคนคนเนีทีนี้อยังอย่างห น, หนูชื่ออะไรชื่อเล้งใช่ใช่ชื่อตูนชื่อตูนในชะ่ไหมเนียชื่อเหมือนลูกสาวเราจำได้หรา ก็บางทีถ้าสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยแบบนี้นะก็พัฒนาจนแท้ที่ว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันไม่พัดลงนั่นนะจนมันจะมีความชานาญเก่งแล้วก็สอนคนได้อังเกตไหมคะแล้วอญาตที่เกิดขึ้นที่เรารู้สึกคืออะไรอีกหนึ่งคนมเป็นผลพอยได้เป็นผลพลอได้เพราะว่ามันเกิดกับตัวเองก่อน พอเกิดกับตัวเองเนี่ยสิ่งอื่นมันอยู่ภายใต้กฎเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงรู้คนอื่นได้เป็นผลภายได้อย่างทุกอย่างเนี่ยที่โยมพูดมานะสมมตินะ่เออจะอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะทีเราดูกอนที่เหนเรื่องนี้เมนรื่องบากเลยแต่สักท่าหนึ่งรู้เหมือนเลยที่อยู่นวนกเสร็จแล้วคนนั้นเล่าร่อของคนที่หนูรู้แล้วให้หนูฟังหนูจะไม่เข้าใจว่า มันเป็นผลคอยได้อ่ะเป็นผลคอยได้เอาทีนี้เอาทีนี้ก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอามือลง ไ, ได้ไ้มเมื่อกี้เราพูดถึงธรรมะธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีแต่มันก็หายไปและธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีแต่มันรู้อะไรได้ธรรมชาติอันเนี้เขาเรียกว่าวิสังขารคือธรรมชาติไม่ปรุงแต่งถูกไหม ไม่ปรุงนิมันได้แต่รู้ก็คือเป็นวิสังขารก็คือไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเกิดแก่ไม่มีการตายอะไรเนี่ยแล้วธรรมชาติเนี้ยอยู่อยู่ทุกคนทุกแห่งตอนแรกเราฟังไม่เข้าใจหรอกมันอยู่ทุกคนทุกแห่งได้ยังไงเรากาาา็ต้องสมมติขึ้นมาสิว่าไอตัวเราเนี่ยเป็นเป็นตัวเรานะแต่จริงมันไม่ใช่ตัวเราเวลาเราอยู่ตรงไหนมันรู้ได้ทุกเรื่องใช่ไหมเช่นสมมติว่าเราอยู่ตรงเนี้ย ตาก็มองเห็นเห็นอะไรอยู่ก็รู้ได้หมดตัวเราอยู่ตรงนี้รู้ได้ทุกเรื่องรู้ดวงอาทิตย์ได้ไหมว่าดวงอาทิตย์มีอยู่หรือไม่มีรู้ได้หมดอะไรไปรู้หลังใจใจทุกอย่างเกิดจากใจออกมาจากใจแล้วก็ดับไปในใจทั้งทั้งที่ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีไอสิ่งไม่มีนี่แหละกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบไม่มีเขต ไอสิ่งที่ไม่มีนี่แหละมันเขาเรียกว่าไม่มีเขตไม่มีขอบว่าห่างไปกี่กิโลเมตรมันไม่มีเขตไงเพราะฉะนั้นมันจึงยิ่งใหญ่ไยสานอ่ะยิ่งใหญ่ไยสานเห็นไหมไอความไม่มีเนี่ยไอแต่ความมีเล็กทิสเดียวความมีเนี่เล็กนิดเดียวรูปเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนี่ถ้าเทียบกับจักรวาล น, นะมองไม่เห็นด้วยซ้ําถูกไหมไอความมีเนี่ยเล็กๆลกนิดเดียวแต่ความไม่มีเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเขตกว้างใหญ่ใยสาน มันเป็นหนึ่งเดียวของจัเป็นหมูเรียกอะไรไม่ถูกอะอะไรบรรจุ ก, จก็ไม่เต็ม <ไป S 1> อะไรนะรนเล็กไปจั ก, กรวาลก็เล็กออโอ้โหใจนี่นะ <ใจ S 1> ถึงภาษาครูอาจารย์นะบอกว่ามันไม่มีขอบขอบก็ออกถ้าไม่รู้จักขอบก็ถือว่าการละมังใช่ไหมอ่ะ ว, วงกลมก็ได้อ่ะวงกลมมันมีเส้นรอบวงเส้นรอบวงก็คือขอบอ่ะและสิ่งที่อยู่ในเส้นรอบวงก็คือสิ่งที่อยู่ในขอบ ถ้ามีขอบก็แสดงว่ามันมีแค่แค่ขอบแต่ใจเนี่ยมันไม่มีขอบย้อมดูสิเมื่อมันไม่มีขอบเนี่ยมันจะไปอย่างเนี้ไม่มีที่สุดน่ะมันจะยาวจนเนี่ยมันจะชนต่อกันไม่ได้เนี่ยไม่รู้มไปถึงไหน<ม>ไอ้ข้างขวาก็ไปข้างนี้ไอ้ข้างซ้ายก็ไปข้างนี้ไอ้ข้างหน้าก็ไปข้างนีน้ไอ้ข้างหลังก็ไปข้างนู้นไอ้ข้างบนก็ไปข้างน้นไอ้ข้างนี้ก็ไม่มีที่สุดใหญ่ขนาดไหนอ่ะไม่มีประมาณมาก แล้วทีนี้นะทุกอย่างเนี้ยมันเกิดมาจากใจเอา้าก็ใจเป็นความว่างไงแล้วสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ได้อ่ะมันก็ออกมาจากความว่างหมดเลยแต่ความว่างชนิดอื่นๆมันรู้ไม่ได้มีแ ใ, ใจเท่านั้นที่รู้ได้เช่นดวงอาทิตย์รู้ได้ใช่ไหมว่ามันมีอะทุกคเนี่ยก็ใจเป็นคนรู้ ดวงดาวใครรู้อ่ะใจเป็นคนรู้อมันรู้หมดแล้วไอไอพวกนั้นเน่ยมันออกมาจากใจหมดเลยนะนี่ถ้าไม่มีใจนะเหมายนกับว่าถ้าธรรมชาตินี้ไม่มีนะโลกนี้ยมืดสนิทนะแต่ว่าโยมมอ ง, ง, ง, ง, งมากแล้แหละตอนนี้ยแต่นี่พูดถึงเอาให้พอเข้าใจที่เข้าใจได้ว่าใจเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบไม่มีเขตแต่ที่มันล้ายที่สุดก็คือมันมันเป็นความว่างเปล่า มองไม่เห็นหาไม่ได้แต่มันรู้อะไรได้ทุกเรื่องรู้โลกกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งรู้หมดอนะ